อุปสถตสูตรว่าด้วยอุโบสถกรรมเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปุพารามประสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเขโครงสาวถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งในวันอุโบสถวันหนึ่งครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปแล้ว ปฐมยามผ่านไปแล้วท่านพระอาณนลูกจากอาสนะโมอุตราสงเฉวียงบ่าประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วภิกสุสง์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปาติโมขึ้นแสดงแกพิษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ เมื่อท่านพระอาหนณ์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งแม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีผ่านไปแล้วมัชิมยามผ่านไปแล้วท่านพระอาณนน์ลุกจากอาสนะขมอุตราสงเฉวียงบาประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเด็กกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วมัชชิมยามผ่านไปแล้ว ภิกษุสงฆ์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปาติโมฆขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สมเมื่อราตรีผ่านไปแล้วปิ ม, มยามผ่านไปแล้วยามรุ่งอรุณเริ่มสว่างท่านพระอานนท์ลุกจากอาสนะหอมอุตราสง์ฉวียงบ่า ประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเดียกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วปัชิมยามผ่านไปแล้วยามรุ่งอรุณเริ่มสว่างพิสุสง์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปาติโมขึ้นแสดงแก่พิสุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน บริษัทไม่บริสุทธิ์ลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์ทรงหมายถึงใครกันจึงกำหนดจิตของพิสุสงด้วยจิตของตนได้เห็นบุคคลผู้ทุศีลมีทาเลวสามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณนะ แต่ปติญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจรีแต่ปติญญาว่าเป็นพรหมจรีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุสงน้นครั้นเห็นแล้วจึงลุกจากอาสนะเข้าไปหาบุคคล น, นั้นแล้วกล่าวว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลาย เมื่อท่านพระมหาโมคลานะกล่าวอย่างนี้แล้วบุคคลนั้นก็ยังนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองท่านพระมหาโมคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคลนั้นว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองบุคคลนั้นก็ยังนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สท่านพระมหาโมคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคลนั้นว่า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 พระผู้มีพระภาครับสั่งเรื่องภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ทำอุโบสถจกไม่ยกปาติโมขึ้นแสดงตั้งแต่บัดนี้ไปเธอทั้งหลายนั้นแลพึงทำอุโบสถยกปาติโมขึ้นแสดงเถิดภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่ทศาคตจะทำอุโบสถจะยกปาติโมขึ้นแสดงในเมื่อบริษัทไม่บริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลายในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการคือ 1. มหาสมุทรตามไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีภิกษุทั้งหลาย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 นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 4. มหานทีทุกสายคือคงคายมุนาอาจิรวดีซอรภูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิน้นภิกษุทั้งหลาย การที่มหานทีทุกสายคือคงคายามุนาอาจิรวดีสรภูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิน้นนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรห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 ในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 6. มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มภิกษุทั้งหลายการที่มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่6ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 7. มหาสมุทรมีรัตนมาก มีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูนสังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมแก้วตาแมวภิกษุทั้งหลายการที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูนสังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมแก้วตาแมว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 มีลำตัวสามร้อยยอดก็มีมีลำตัวสี่ร้อยยอดก็มีมีลำตัวห้าร้อยยอดก็มีภิกษุทั้งหลายการที่มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคละอสูรนาคคนทันมีลำตัวร้อยยอดก็มีมีลำตัวสองร้อยยอดก็มีมีลำตัวสามร้อยยอดก็มี มีลำตัวส0 0รยโยกก็มีมีลำตัวห้าร้อยโยกก็มีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ในมหาสมุทรที่พวกอาสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรภิกษุทั้งหลายในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แหลที่พวกอาสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร ภิกษุทั้งหลายในทํามนองเดียวกันในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอาัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแประการที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ธรรมที่น่าอาัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปรระการคือ 1. ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลาดับ ไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรที่ตามไปโดยลำดับลาดไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีภิกษุทั้งหลายการที่ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับมีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันที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 แต่ปติญญาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่โพรมจารีแต่ปติญญาว่าเป็นโพรมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อสงก็ไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นย่อมประชุมกันนำเธอออกไปทันทีแม้เธอจะนั่งอยู่ในถ้ากลางภิกษุสงก็ยังห่างไกลาจากสงและสงก็ห่างไกลาจากเธอเหมือนมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพ ย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนบกทันทีภิกษุทั้งหลายการที่บุคคลใดถุศีลมีทำเลวสามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณนะแต่ปฎิญยาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรหมจรรีแต่ปฏิญยาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อสมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้น ย่อมประชุมกันนําเธอออกไปทันทีแม้เธอจะนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ก็ยังห่างไกลจากสมและสงฆ์ก็ห่างไกลจากเธอนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามในธรรมวิ น, นัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวิ น, นัยนี้ 4. วันณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตร ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่และโคดเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสากยะบุตรทั้งสิน้นเหมือนมหาณทีทุกสายคือคงคายมุนาอาจิราวดีสรภูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่และโคดเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิน้นภิกษุทั้งหลาย การที่วันะสี่เหล่านี้คือกระสัพราหมแพทย์สูตรออกจากเรือนบวดเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคตรเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสักยะบุตรทั้งสิน้นนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้ว ต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 5. แม้หาภิกษุจํานวนมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุก็ไม่ทําให้นิพานพร่องหรือเต็มได้เหมือนแม่น้ำํำสายใดส า, ายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟ้าฟ้าก็ไม่ทําให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้ภิกษุทั้งหลายการที่แม้หาภิกษุจํานวนมาก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 พ่ชงเจ็อริยมรตมีองค์8เหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมากมีรัตนหลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูนสังศิลาแก้วประพาลเงินทองทับทิมแก้วตาแมวภิกษุทั้งหลายการที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนมากมีรัตนหลายชนิดคือสติประทานสี่สมมาประธานสี่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 พระสกะทาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งสกทาคามิผลพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งอรหัตผลเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิปลาติมิงคละปลาติมิติมิงคะระศูนย์ นาคนทันมีลำตัวร้อโยต์ก็มีมีลำตัวสองรอยโยต์ก็มีมีลำตัวสามร้อยโยต์ก็มีมีลำตัวสี่ร้อยโยต์ก็มีมีลำตัวห้าร้ยโยต์ก็มีภิกษุทั้งหลายการที่ทำวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพัธพระสกะทาคามี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 ในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวิไ น, นัยนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานยิ่งปิดยิ่งรั่วเปิดแล้วไม่รั่วเพราะฉะนั้นพึงเปิดจริงที่ปิด เมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เปิดนั้นก็จะไม่รั่วอุ ป, ปสถทสูตรที่ห้าจบ 6. โซนสูตรว่าด้วยพระโซนะเถระ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเคครุงสาวถีสมัยนั้นท่านพระมหากัจจานะพักอยู่ที่ภูเขาปวัตตะเมืองกุรุรคระแควนอวันตีครั้งนั้นอุบาสกชื่อโสนะกุติกันนะเป็นอุปถาของท่านพระมหากัจจานะ ครั้งนั้นอุบาสกชื่อโสนะกุติกันนะหลีกเรเนอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดูดสังที่ขัดดีแล้วอย่างที่พระมหากัารณแสดงธรรมไว้ไม่ใช่กระทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ต่อมาเขาเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญขอโอกาสกระผมหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุดสังที่ขัดดีแล้ว อย่างที่พระมหากัารณแสดงทำไว้ไมิใช่กระทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรปรงผมโกนหนวดนุ่งหมผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตขอพระคุณเจ้ามหาการนะโปรดให้กระผมบวช ด, ด้วยเถิดขอรับเมื่อเขากล่าวอย่างนี้ท่านพระมหากานะจึงกล่าวกับเขาดังนี้ว่าโซนะ การประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งต้องบริโภคอาหารมื้อเดียวนอนผู้เดียวจนตลอดชีพทำได้ยากแต่เอาเถอโนะโสณะท่านเป็นครหัดอยู่ที่บ้านนั่นแหละจงมันประพฤติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นพรหมจรรย์ที่ต้องบริโภคอาหารมื้อเดียวนอนผู้เดียวตามเวลาที่เหมาะสมเถิดครั้งนั้นความคิดที่น้อมไปเพื่อบรระชาของอุบาสกโซณะกุติกนนะ รังับไปแม้ครั้งที่สองอุบาสกโสณกุตนะิเกรณนะเหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะพระเพื่อพรหมจันท ร, ร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดดีแล้วอย่างที่พระมหากัจจารณแสดงทำไว้มิเช่กระทําได้ง่ายทางที่ดีเราควรปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแล้วเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กราวกับท่านพระมหากั จ, จานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญขอโอกาสกระผมหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะพระพุทธพรมรรจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดูดสังที่ขัดดีแล้ว อย่างที่พระมหากัจจานะแสดงธรรมไว้มิใช่ธรรมได้ง่ายทางที่ดีเราควรปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตขอพระคุณเจ้ามหากัจจานะโปรดให้กระผมบวช ด, ด้วยเถิดขอรับท่านพระมหากัจจานะได้กล่าวกับเขาดังนี้ว่าโสนะการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งต้องบริโภคอาหารมือเดียว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 แม้ครั้งที่สามอุบาสกโสนะกุติกันนะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุดสังที่ขัดดีแล้วอย่างที่พระมหากัจาณะแสดงทำไว้มิใช่กระทําได้ง่ายทางที่ดีเราควรปลงผมโกนหนวดนุ่งข่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต แล้วเข้าไปหาท่านพระมหากัานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญขอโอกาสกระผมหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความที่คำหนึ่งอย่างนี้ว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุดสั่งที่ขัดดีแล้วอย่างที่พระมหากัจารณแสดงทำไว้ มิใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรปลงผมโกนหนวดนุ่งผมผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตขอพระคุณเจ้ามหากัจจานะโปรดให้กระผมบวช ด, ด้วยเถิดขอรับลำดับนั้นท่านพระมหากัจจานะจึงให้อุบาสกโสนะกุติกันณนะบวชก็สมัยนั้นอวันตีทกคินนาบทมีภิกษุน้อยคราวนั้น ท่านพระมหากัจจานะจัดหาภิกษุสงฆ์จากที่นั้นๆให้ครบองค์ประชุมคือสิบรูปได้ยากลำบากเวลาล่วงไปถึงสามปีจึงให้ท่านโสนะอุปสมบทได้สมัยนั้นท่านพระโสนะออกพรรษาแล้วหลีเกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเราไม่เคยเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเฉพาะพระพักเลยเพียงแต่ได้ยินว่า พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นทรงมีพระลักษณะเช่นนี้และเช่นนี้ถ้าพระอุป a า h a อนุญาตเราจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้งนั้นในเวลาเย็นท่านพระโสณะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรเดียกกล่าวกับท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่า ท่านผู้เจริญขอโอกาสกระผมหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเราไม่เคยเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเฉพาะพระพักเลยเพียงแต่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีพระลักษณะเช่นนี้และเช่นนี้ถ้าพระอุปชาอนุญาตกกระผมจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ท่านพระมาหากัจจานะกล่าวว่าดีละดีละโสนะท่านจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเถิดท่านจะเห็นพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้น่าเลื่อมใสทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีพระอินทรีย์สงบมีพระไทยสงบทรงบรรลุธรรมะและสรรมถะสูงสุดทรงฝึกฝนแล้วคุ้มครองแล้ว ทรงสำรวมอินทรีย์ทรงเป็นผู้ประเสริฐท่านครั้นเห็นแล้วจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจงทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาภาษน้อยกระปรีก้กระเปร่ามีพระพารณาไมยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระมหากัจจานะพระอุปชาของข้าพระองค์ ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวกราบทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาพาทน้อยกระปรี้กระเปเ่ามีพระพลานาัยสมบูรณ์อยู่สําราญท่านพระโสณนะรับคําของท่านพระมหากัจจานะแล้วชื่นชมยินดีคําที่ท่านพระมหากัจจานะกล่าวแล้วลุกจากอาสนะไหว้ท่านพระมหากัจจานะ ทำประทักษิณแล้วจึงเจ็บเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเที่ยวจาริกไปโดยลาดับจนถึงพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคกรุงสาวัตถีแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระมาหากัจานะพระอุปชาของข้าพระองค์ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวกราบทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาพาฏน้อยกระปรี้กระเปา่ามีพระพารณมัยสมบูรณ์อยู่สาราญพระผู้มีพระภาคตรัถามว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือเธอเดินทางมาโดยไม่ลาบากหรือ บินทบาตไม่ลำบากหรือท่านพระโสณทุลตอบว่าสบายดีพระพุทธเจ้าค่ะพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์เดินทางมาโดยไม่ลำบากทั้งบินธบาตก็ไม่ลำบากพระพุทธเจ้าค่ะต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนทมาตรัสว่าอานนทเธอจงจัดเสนาสนะต้อนรับพิสุอัันตุ ก, กะรูปนี้ ครั้งนั้นท่านพระอานนท์คิดดังนี้ว่าการที่พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอานนท์เธอจงจัดเสนาสนะต้อนรับภิกษุอคันตุกะรูปนี้สำหรับภิกษุรูปใดมีในให้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะประทับอยู่ในพระวิหารหลังเดียวกับภิกษุรูปนั้นพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะประทับอยู่ในพระวิหารหลังเดียวกับท่านพระโสนะ จึงจัดเสนาสนะต้อนรับท่านพระโสนะในพระวิหารอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในที่แจ้งจนดึกจึงทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าพระวิหารฝ่ายท่านพระโสนะก็อยู่ในที่แจ้งจนดึกจึงล้างเท้าแล้วเข้าพระวิหารพอถึงเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคทรงลุกขึ้นแล้ว ทรงเชื้อเชิญท่านพระโสนะว่าภิกษุเธอจงกล่าวทรรมตามถนัดเถิดท่านพระโสนะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้สวดพระสูตรทั้งหมด16สูตรในอัตกะวัคโดยทานองสรพัญญะเมื่อท่านพระโะสนะสวดทำนองสรพัญญะจบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงชื่นชมอย่างยิ่งจึงได้ประทานสาธุการว่า ดีละดีละภิกษุเธอเล่าเรียนสูตรส6หสูตรในอัตกะวักมาดีแล้วจำได้แม่นยำดีเปล่งเสียงสวดได้ไพเราะเพริ้งไม่มีที่หน้าตำหนิบอกความหมายได้ชัดเจนเธอมีพรรษาเท่าไหร่ท่านพระโสนทุนตอบว่าข้าพระองค์บวชได้หนึ่งพรรษาพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตร ถ, ถามว่าภิกษุ เพราะเหตุไรเธอจึงชาอยู่เล่าท่านพระโสนะกราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นโทษในการมทั้งหลายนานแล้วแต่ผู้อยู่ครองเรือนวุ่นวายมีกิจมากมีธุระมากพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานอาริยชนเห็นโทษในโลก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 พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระกังขาเรวตะผู้กำลังนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงพิจารณากังขาวิจารณวิสุทธิของตนอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานความสงสัยเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีในอัตภาพนี้หรือในอัตภาพอื่น ที่มีในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่นบุคคลผู้เพ่งพินิษมีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์อยู่ย่อมละความสงสัยเหล่านั้นทั้งหมดได้กางขาเรวตะสูตรที่เจ็ดจบ8สังกะเพทสูตรว่าด้วยการทำสงให้แตกกันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันกลันทกาณีวาปะสถานเขโครุงราชครือสมัยนั้นในเวลาเช้าวันอุโบสถท่านพระอานน์ครองอันตรวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาทยังกรุงราชครือพระเทวทัตพบท่านพระอานน์กําลังเที่ยวบิณฑบาทในกรุงราชครือจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวกับท่านพระอาห น, น์ดังนี้ว่า ท่านอานน o ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะทำอุโบสถจะทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นท่านพระอานน o ์ครั้นเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครึกแล้วกลับจากบินทบาทหลังจากชันอาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสในเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสศกถือบาตรและจีวรเข้าไปบินทาบาทยังกรุงราชครื้พระเทวทัตพบข้าพระองค์กำลังเที่ยวบินตาบาทในกรุงราชครื้จึงเข้าไปหาแล้วกล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าท่านอานอน์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะทำอุโบสถจะทำสังฆ ก, กรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้พระเทวทัตจะทำลายสงจะทำอุโบสถจะทำสังฆ ก, กรรมพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทาน กรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายกรรมชั่วพระอริยะทั้งหลายทำได้ยากสังกเพทสูตรที่แปดจบ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 เดินคุยถากทางผู้อื่นอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคนฟั่นเฟือนยกตนว่าเป็นบัณฑิตเอาแต่พูดยื่นปากพูดตามที่ตัวปรารถนาแต่ไม่ยอมรับรู้เรื่องที่ทะเลาะกันอย่างไรอย่างอายสทายะมานสูที่เก้า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 ก็ดำรงสตินี้ไว้มั่นเธอพึงได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายครั้นได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้วพึงถึงสถานที่ที่มัจุราชมองไม่เห็นจูลปันทกะสูตรที่สิบจบโซนะเถรวักที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือหนึ่งปิยะตะสูสองอปายุกสูตร สสุปพุท ธ, ธกุติสูตร 4. กุมารกะสูตร 5. อุ ป, ปสถธสูตร 6. โซนสูตร 7. กลางขาเรวตตสูตร 8. สังกะเพทสูตร 9. ส้าสัทยามาณสูตร 10. จุลปันทกะสูตร